ก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปันาทเวทาวิตตกสูตรข้อ252หน้า217กลางหน้ากล่าวต่อไปว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนเนี่ยส่งไปอยู่อย่างนี้หมายคืว่าเพียรในการละอกุศลเพียรในการเจริญกุศลเนี่ยนะภาพเพียรพยายาม อุตสาหะอย่างแรงกล้าปล่อยกายวาจาใจาให้ไหลไปกับกุศลอย่างเดียวเนี่นะเนคขมวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเนคขมวิตกก็คือทั้งวิปัสสนานั่นเองทั้งสมถะและวิปัสสนาตรงนี้เน้นพิเศษคือวิปัสสนาเนี่ยคือเจริญวิปัสสนาเนี่ยมากนะโดยเฉพาะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา นิพพานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยเมื่ออนุปัสนาเป็นต้นเป็นไปอย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนคขมวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าเนคขมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนต น, ไ ม, น, ไ, มนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้เกิดปัญญาเ น, น, น, น, นาะเนคขมวิตกนี่แหละเป็นทางแห่งปัญญา ไม่ทําให้เกิดความขับแค้นไม่ต้องหนักใจไม่ต้องลําบากใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเดือดร้อนใจขณะเดียวกันเนคขมวิตกอันนี้แหละเป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าเราจะตรึกตรองใข้ครวญเนี่ยนะหรือเจริญหรือว่าเนคขมวิตกเนี่ยเป็นไปตรึกตรองใส่ใจถึงเนคขมะวิตกนั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ดี นะครับว่าเจริญอย่างนี้ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนคขมวิตกนั้นได้เลยคือภัยนยแปลว่าน่ากลัวไม่เห็นว่าอะไรจะน่ากลัวที่มาจากกุศลวิตกเลยนอกจากกุศลวิตกที่หลังไหลเป็นไปมีแต่ดีอย่างเดียวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถึงหากเราจะตึกตรองถึงเนคขมวิตกนั้นอยู่ ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันเกิดขึ้นจากเนคขมวิตกนั้นได้เลยดูก่อนพิสูนทั้งหลายหากเราจะตรึกจะตรองถึงเนคขมวิตกนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขมวิตกนั้นได้เลยคือเนคขมวิตกคือวิปัสสนาทั้งหลายเป็นต้นนั้นถ้าเป็นวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนาโอวาทสั่งสอน ยิ่งตรึกยิ่งตรองมากยิ่งมีความสุขมากไม่มีพิษภัยทุกทโทษเหล่าใดที่มาจากการเจริญอย่างนี้เลยนะถ้าเจริญเป็นเจริญถูกโดยเฉพาะเจริญอนุปัสนาทั้งหลายนักตั้ง์ตีระปริญญาปหานาปริญญาเจริญวิปัสนาใคร่ครวญโดยสภาวะถึงความเป็นของไม่เที่ยงตามเป็นจริงเนี่ยนะก็มีแต่ความสุขไม่มีพิษภัยทุกทโทษและเขาเจริญอย่างนี้เขาเจริญกันพระองค์บอกว่าตลอดคืน เจริญอย่างนี้ตลอดวันเจริญทั้งตลอดวันตลอดคืนเนี่ยนะก็ไม่มีภัยเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปหมายว่าเกินเกินเกินความพอดีเนี่ยนะเมื่อเกินความพอดีร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านใจก็ห่างจากสมาธิคือหมายว่าถ้าร่างกายเหนื่อยเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยนี่มันใกล้ต่อความฟุ้งซ่านจริงแหละ นนะถ้าหากว่ากุศลธรรมเนี่ยนะถึงเกิดมากๆก็จริงแต่ถ้าร่างกายเหนื่อยเมื่อไหร่ก็อ่อนเพลียเพราะอ่อนเพลียจิตก็ฟุ้งซ่านและเมื่อฟุง้งซ่านอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็ไม่เกิดจิตก็ไม่ตั้งมั่นแะเพราะจิตไม่ตั้งมั่นนั้นกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เจริญที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากกุศลวิตกแต่เกิดจากร่างกายที่ เหน็ดเหนื่อยเกิดจากร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยไม่ได้เกิดปัญหาตัวนี้ไม่ได้มาจากข้อปฏิบัติไม่ได้มาจากการเจริญกุศลธรรมแต่มาจากร่างกายที่ไม่สมดุลเนี่ยนะดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรานั้นและํำรงจิตเอาไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านอย่างนี้อีกเลยอันนี้ก็เริ่มประคับประคองแล้วว่าเจริญแค่ไหนโดยใช้เวลาเท่าใดจึงจะพอดีจิตจึงจะไม่ฟุ้งซ่านนะนะร่างกายจึงจะไม่เหน็ดเหนื่อยจิตจะไม่ฟุ้งซ่านในหน้า228กลางหน้านะ่นนะที่บอกว่ากุศลวิตกมีเนคขมวิตกเป็นต้นเนี่ยวันปัญญาวุติโกงแปลว่ากุศลวิตก คือเนคคมวิตกเป็นต้นเนี่ยไม่เบียดเบียนตนอันนี้เห็นชัดเลยว่านำความสุขให้แก่ตนอย่างเดียวไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะว่ากุศลวิตกเหล่านี้เป็นปัจจัยให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไพบู์กุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะเป็นตัวไปตัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ลดลงไปแล้วก็เป็นการเจริญเพื่อป้องกันไม่ให้ บาปอากุศลธรรมเนี่ยไลเข้ามามันกุศลวิตกคือเนคข ม, มวิตกนั้นปัญญาวุธิกะวุธิกะก็แปล ว, ว่าผู้มีเจริญน่ะนะทำให้ปัญญานี้เจริญขึ้นเพราะกุศลวิตกเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัญญาทั้งที่ทเป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสมถะปัญญาวิปัสนาปัญญาทั้งหลายเนี่ยอาศัยกุศลวิตกคือเนคข ม, มวิตกเป็นปัจจัย นันปัญญากุศลวิตกนั้นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสุตะมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยะปัญญาเนี่ยมีกุศลวิตกเป็นปัจจัยพันกุศลวิตกนั้นการตรึกนั้นไม่ได้ทําให้ปัญญาลดน้อยเลยตรงกันข้ามทําให้ปัญญาที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นทําปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามไพ่บูร์บริบูร์เพราะฉะถ้าหากว่าผู้ใดตรึกกุศลวิตกเป็นไปบ่อยๆเนี่ยนะปัญญาก็จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ชํานาญในการเจริญปัญญาเชื่อว่าอาวิคาตะปัจขิกะเพราะไม่เป็นไปเพื่อส่วนแห่งความทุกข์กุศลวิตกนั้นตัวมันเองจะไม่เบียดเบียนนีนะไม่ไม่ประทุสร้ายไม่ทําร้ายนนะัมีแต่คุณ เหมือนอย่างว่าโอสถที่ที่ดีมีคุณค่าเนี่ยนะมีแต่คุณต่อร่างกายจะไม่มีพิษภัยทุกโทษต่อร่างกายฉันใดกุศลวิตกนี้ก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความลาบากทางร่างกายและจิตใจเลยเนี่ยนะเพราะเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งความสุขอย่างเดียวขณะเดียวกันกุศลวิตกอันนี้นิพพานะสังวัตนิกะเป็นไปเพื่อความทาให้แจ้งซึ่ง นิพพานธาตุว่ากุศลวิตกนั้นเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานดังที่พระองค์บอกว่าเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าสัมมาสังกัปปะที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน กุศลสังกัปปะหรือเนคขมมะสังกัปปะนั้นเป็นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมากพระองค์จึงบอกว่านี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งในมัชฌิมาปฏิปทาในข้อปฏิบัติที่มุ่งตรงไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือสัมมาสังกัปปะซึ่งทุกทุกองค์มรรคก็สําคัญหมดแหละแต่ว่าสัมมาสังกัปปะกับปัญญานี่อันไหนสําคัญกับกันคือสัมมาสังกัปปะในฐานะเป็นตัวชี้นําปัญญา ถ้าสัมมาสังกปะไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยนะพราะนั้นปัญญานี่อาศัยสัมมาสังกปัปปะผวิติกะเนี่ยเมื่อตรึกเนี่ยนะตรึกตามคันลองเพื่อให้ปัญญาเกิดปัญญานั้นจึงเกิดตามปัญญาไม่ได้เกิดที่อาวัชนะแต่วิตกะเกิดที่อาวัชนะอาวัชนะเนี่ยไส้ข้ค ร, ครควนถึงอารมณ์ปัญญาก็พิจารณาอารมณ์วิตกะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ ปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ที่วิต ก, กะนั้นนะอย่างที่กล่าวว่ามือเนี่ยเป็นตัวพลิกหนังสือเป็นตัวเปิดหนังสือปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจพระไตรปิฎกก็จริงแต่ถ้าไม่อาศัยมือเปิดพระไตรปิฎกหยิบพระไตรปิฎกเขียนพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาก็จะค่อเราว่ากเกิดยากะนะถือว่ายากมากๆเลยแหละแต่ว่าถ้าพูดตามโลกิยจิตโดยเฉพาะโลกิยจิต ที่ไม่ใช่จิตระดับฌานนจิตทุติยฌานขึ้นไปต้องอาศัยวิตกทั้งนั้นเลยอะต้องอาศัยวิตกทั้งนั้นเลยโลกิยาจิตเนี่ยนะชวนะทั่วๆไปตลอดจนถึงปฐมฌานก็ยังต้องอาศัยวิตตะกะทั้งนั้นเลยทั้งอาวัชนะและก็ชวนะเนี่ยนะนั่นเนคขมะสังกปะนั้นจึงเกื้อกูลเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยตรึก เนคข ม, มวิตกคือการเจริญวิปั ส, สนาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะภัยหรือสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยไม่ได้เกิดจากกุศลวิตกเลยไม่มีภยัยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเพียงแต่ว่าถ้าตรึกนานเนี่ยกายมันจะเหนื่อยถ้ากายเหนื่อยใจก็กลางห่างไกลาจากสมาธินะห่างจากอุปจาระสมาธิห่างจากอัปปนาสมาธิทีนี้พระองค์ องค์ก oh ็บอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรานั้นแลดํารงจิตไว้มั่นในภายในก็คือมาเข้าสมาธิอีกทีหนึ่งเรียกว่ามาเจริญสมถะนะมาเจริญสมถะที่บอกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรานั้นตั้งมั่นซึ่งจิตอันเป็นไปในภายในว่าจิตของเราอย่าอยู่ในที่ไกลจากสมาธินั้นเที่ยวคือดํารงจิตไว้ในอารมณ์ในภายในก็คืออยู่ในสมถะนั่นเองนะก็ปรารบสมถะเป็นไปดูก่อนพิสูุทั้งหลาย เรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้ อ, อัพยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอัพยาบาทวิตกนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอัพยาบาทวิตตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน <ton> ผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย อพยาบาทวิตกนั้นเป็นทางที่ทำให้เกิดปัญญาไม่ทำให้เกิดความคับแค้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อพิสุนทั้งหลายก็ถ้าเราจะตรึกจะตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นเลยดูก่อนพิสูุนทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกจะตรอง ถึงอพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นเลยดูก่อนที่สูทั้งหลายหากเราจะตรึกจะตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจาก อพยาบาทวิตตกนั้นเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายของเราเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิโดูกานพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นแลดํารงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทาให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะหมายในใจว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ วันอภยาบาตรวิตกนั้นไม่เคยมีพิษมีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีทุกขมีโทษนะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครจะเจริญมากเท่าใดเจริญให้ต่อเนื่องเท่าใดเนี่ยนะไม่สร้างความเสียหายสร้างแต่คุณณประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยนะแต่ว่าต้องดูสั ป, ปายะเรื่องอิริยาบถเรื่องร่างกายด้วยเหมือนกันเพราะถ้าร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหร่มันก็อย่างว่าในปัญจโวการะูมเนี่ยนะโดยเฉพาะกามภูมเนี่ยมันเนื่องด้วยรูป ใช่ไหมก่อนอาหารกับหลังอาหารศึกษาธรรมะก็เข้าใจต่างกันนะก่อนหิวกับหลังหิวเนี่ยก็ต่างกันแล้วตอนหิวก็ตอนอิ่มตอนสบายกับตอนไม่สบายมันเราเห็นว่าร่างกายนั้นมีผลต่อความคิดมากเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมีผลต่อจิตใจเนี่ยมากมันถ้าใครที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมีทุกข์มีโทษร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียกับปลกกระเพื้ยทั้งหลายเนี่ยปัญญาก็ก็ปลกกระเพื้ยเหมือนกันแหะเนี่ยนะเพราะอะไรก็บอกว่า เหมือนประทีปเนี่ยนะเหมือนเทียนก็แม้เทียนน่ยนะสมมุติถ้าจุดจุดตะเกียงแล้วกันเอาน้ํามันเนี่ยน้ำมันจริงแหละแต่แม้มันดำคร่าไปหมดเลยนะดำปีไปหมดไส้ตัวไส้ก็ไปเอาไส้แบบแม้สกปรกจริงๆเลยแหละมาตัวน้ํามันก็ตัวตะเกียงก็ผุๆเป็นต้นเนี่ยถามว่าแสงสว่างนี่จะเป็นแสงสว่างชั้นดีได้ไหมไม่ได้ฉันใดปัญญาก็เหมือนกันถ้าอาศัยร่างกายที่กระปรกกระเปี้ย อ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยปัญญาเจริญยากเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นถ้ารอให้ไม่สบายก่อนแล้วค่อยเจริญปัญญาอันนี้ก็ยากหรือไปทําอะไรให้มันเหนื่อยก่อนแล้วจะได้มาเจริญปัญญาอันนี้ก็ยากนั้นก็ต้องสามารถที่จะบริหารร่างกายให้สุขภาพเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อร่างกายบริหารสุขภาพให้เป็นไปด้วยดีกุศลจิตทั้งหลายก็สามารถเกิดยาวบ่อยและต่อเนื่องตอนไม่สบายเป็นต้นเราก็พูดไม่ได้ว่าเจริญไม่ได้แต่ทํายาก อันนั้คุณภาพไม่ดีเหมือนอ่านพระไตรปิฎกอ่า น, yeah, อนตอนป่วยกับตอนไม่ป่วยเนี่ยก็เข้าใจต่างกันเยอะตอนปวดหัวมากกับไม่ปวดหัวเนี่ยไหนอ่านเข้าใจกับกันนนตอนไม่ปวดหัวเจ็บตากับไม่เจ็บตาเนี่ยซึ่งมองเห็นเหมือนกันเนี่ยนะตอนไหนอ่านแล้วธรรมะเข้าใจกันมันต่างกันเยอะเนี่ยถ้าสุขภาพดีเนี่ยนะมันควรต่อการเพ่งแล้วก็ต่อเนื่อง เป็นจิตที่มีคุณภาพพันผู้ที่รักษาสุขภาพเป็นก็กุศลจิตที่เกิดได้บ่อยและก็ต่อเนื่องแต่มันก็มีพวกเลยทงบำรุงแต่สุขภาพจนลืมศึกษาธรรมะเนี่ยนะบอกำรุงสุขภาพให้ดีจะได้เรียนธรรมะได้เยอะๆบำรุงจนตายเลยก็เลยอดเรียนเลยนะเพราะมัวแต่ห่วงกังวลเนี่ยนะหนักๆเข้าอ่านแต่ตำรายาเลยไม่ได้อ่านเลยก็ไตรวิตรเขบอกว่าอตอนที่พูดเนี่ยก็อธิบายดีดๆเขบอกว่า เออเนี่ยก็พยายามอ่านเพื่อจะได้อะไรนะตาจะได้ดีขึ้นสุขภาพจะได้ดีขึ้นจะได้อ่านธรร ม, มะเนี่ยนะพูดอย่างนี้ตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นอ่านสักทีหนึ่งอะนะไม่รู้มันจะถึงเวลาไหนก็ไม่ทราบบางทีพออันนั้นเกินไปอีกนั่นแหละเพื่อหาความพอดีให้มันพบเนี่ยนะหาความพอดีให้พบสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีถ้าสุขภาพกายดีก็เกื้อกูลต่อสุขภาพจิตแต่ก็บอกว่าถ้ารักษาแล้วยังไงก็ไม่หาย ก็บอกร่างกายตรงๆไปเลยฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเจ้านะเงี้ยนะฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเธอนะวันนั้นร่างกายอ่างนั้นเมื่อฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเธอเนี่ยนะฉันเอาใจเธอทุกอย่างแล้วเธอก็ยังไม่ได้เรื่องอีกฉะนั้นพอกันทีพันฉันจะสนใจกิจของฉันและสมถะและวิปัสสนาอ่างนั้นก็ต้องคุยกับตัวเองอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่งั้นก็โอ้ยแค่อยู่นั่นแหละนะกลัว่ากลัวร่างกายอย่างนันแต่ก็ดูเรียกว่าสําคัญที่สุดนะหาความพอดีให้พบกันละกัน